วันนี้เป็นวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2558พวกเราเป็นนักพลดนักบวชหรือว่าพุทธศาสนิกชนเข้ามาศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนกับเราเราเข้าโรงเรียนไกล การศึกษาถ้ามุมถ้ามองอีกมุมหนึ่งเหมือนกับจำเจทาอย่างเก่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะทำอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อก็จะม า, มานั่งตรงนี้แหละก็จะมาพูดตรงนี้แหละแต่อาจจะพูดเอาเรื่องเปลี่ยนเรื่องพูดเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเรื่องแนะนำ สั่งสอนบอกกล่าวให้ได้รับรู้รับทราบในเรื่องแต่ละวันแต่ดูๆแล้วก็เหมือนกับจำเจวันไหนก็วันเก่าอันนี้คือแนวความคิดสำหรับผู้เบื่อหน่ายแต่ไม่ใช่คลายหลุดพ้นไม่ใช่นะ ถ้าเบื่อหน่ายคลายแล้วก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนั้นถูกต้องอันนี้มีแต่ความเบื่อหน่ายมันถล่มไปทางกิเลสเบื่อหน่ายทางหนึ่งแต่มันหนักไปทางกิเลสมันหนักไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะมันถล่มไปทางนู้นแต่ตามไม่จริงการเป็นอยู่อย่างนักนักพรตนักบวชอย่างเป็นพระอย่างเนี้ยชีวิตของพระ ดูๆแล้วก็ น, น่าจำเจน่าเบื่อแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าถ้าเป็นปาดถ้าเป็นผู้นักนขนคว้าศึกษาจะเป็นใหม่อยู่เสมอไม่ใช่จำเจแต่จุดที่เราจะต้องสนใจนันคือจุดไหนไม่ใช่จุดการเป็นอยู่จุดการเป็นอยู่คล้ายๆกับว่า เหมือนเราเป็นเด็กนักเรียนพวกเรากคงจะเคยเป็นเด็กนักเรียนแต่ขนาดลุงพ่อเนี่ย จ, จนนบดผมลุงพ่อก็เป็นเด็กนักเรียนเหมือนกันตื่นขึ้นมาแต่เช้าเผลอเๆเขาก็ปลุกขึ้นมาอีกอมาตำข้าวคกกรเดือ่องเพราะไม่มีใคร เ, เขาต้องเรียกปลุกน้องๆลงไปช่วยกัน เสร็จแล้วกันนะ่ะขึ้นมากันน้ำก็ไม่มีในชนบทมากันล้างแข้งล่ะล้างหน้าล้างตาล้างแข้งล้างขาเสร็จเหมือนเด็กทำนะก็หลวดกระลาดไปเรื่อยจากนะะั้นหากางเกงเสื้อมานุ่งใช้ชุดนักเรียนแล้วก็กินข้าวอ่ากินข้าวเสร็จแล้วก็นนะหอบสมุดติดสอไปโรงเรียน พอตอนเที่ยงก็วิ่งขึ้นมาหากินข้าวอาหารพักเที่ยงจากนั้นกลับไปโรงเรียนตอนเย็นก็นเล่นกีฬากูฝึกหัดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เปลี่ยนบรรยากาศไหว้พระพอตกตนจากท่านเขากลับบ้านพอกลับบ้านเข้ามาบึงทางมีการบ้าน ครูก็ให้ทำการบ้านเขียนอะไรกวดการเสร็จแล้วนิดหน่อยจากนั้นก็ไปหาเที่ยวเล่นแล้วก็ไปหาตามภาษีภาษาของเด็กจากนั้นก็ตอนเย็นทานอาหารแล้วกันนอนจะอ่านหนังสือกลางคืนก็คงไม่ได้เพราะ ม, มันมัมนไม่มีไฟมันมีแต่ กระใต้น้ำมันยางจากน้นจตื่นมาอีกอย่างเก่าอีกเป็นชีวิตที่จำเจดูๆละมองดูแต่จะทำยังไงเราเกิดมาหยุนมนุษย์เป็นมนุษย์จะทำเหมือนสัตว์ที่รชาญก็ไม่ได้ทำชีวิตของมนุษย์เขาพาทำกันอย่างนั้นตอนนี้พอเขามาบวชในพระพุทธศาสนา พอเขามาบวดเราก็มาศึกษาเรื่องกฎระเบียบพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่เข้ามาศึกษากับท่านท่านพาปฏิบัติอย่างไรอย่างตีเราคนตีสามตีสี่เป็นอย่างน้อยตีสามตีสองท่านให้โดยมากท่านก็นให้ตื่นตีสอง ตีสบางทีมันเตลิอไถอยลยมันก็นเป็นถึงตีสี่มันก็นจวนสว่างไม่จะไม่ทันละโดยมากตีสองกับตีสามลุกขึ้นมาลืกขึ้นมาก็ไหวพระทรรมวัดจจย่อหรือพิสดารก็ะจุดแท้แต่ที่เราจะทำเพราะเป็นสิทธิ์ของเราเราคนเดียวเป็นพระกรรมฐานแต่ต้องทำทำวัดชา ขอทำเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาเดินจนกงกรมลงเดินจนกงกรมถ้าว่าเรานั่งสมาธิจิตใจรู้สึกสงบดีจิตใจเยือกเย็นดีเราก็นั่งภาวนาต่อจนถึงได้เวลาตีห้าหรือตีสี่โกกับเกือบตีห้าล้างหน้าล้างตาแปลงฟันเสร็จแล้วเอาบริขาร มาศาลาพอมาศาลากันเนี่ยปัดกวาดบริเวณรอบศาลาผู้ที่ทำจัดที่ศาลาก็จัดเสร็จแล้วก่อนพอจัดกลับมากุติกลับมาศาลาครองผ้าไปบินทบาทใครจะไปสายไหนจากนั้นบินทบาทก็กลับมามากันมาจัดอาหารมาพร้อมกันแล้ว จัดอาหารกสบบาตมีอะไรหลวงพ่อก็จะได้พูดอันนี้คือเป็นประเพณีแต่ละวัดแต่บางวัดมาจัดอาหารเสร็จแล้วก็ให้พรก็ฉันเลยแต่บางวัดมาแล้วก็จัดอาหารส่บาตแล้วก็ฉันเลยไม่ต้องให้พรเพราะใครไม่มีใครไม่มีคนพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรต่างคนก็ต่างไปใครจะทำอะไรการงาน ถ้าไม่มีักอะไรการงานกันกบกุฏิที่พักแปลงฟันซักผ้าเสร็จแล้วก่อเดินจึงกลมภาวนาตอนบ่ายโมงบ่ายโมงบามง่บายสองโมงมาฉันนะ้ำปานะทำไมา่ฉันถ้าอยากจะฉันะแต่องค์ไหนไม่มาฉันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฉันพอฉันเสร็จแล้วก่อนเวลาบ่ายสามโมงก็ปัดกวาดพอปัดกวาดเสร็จแล้วขึ้นศาลา ทำความสะอาดศาลาที่พักดูห้องน้ำห้องถายนี่กิ จ, จวัตรร่วมกันเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับที่พักอิตริกุติถ้าไม่มีการประชุมถ้ามีประชุมก็นัดกันประชุมการประชุมก็คล้ายๆกับูบายจาระเป็นผู้กําหนดว่าเราจะกําหนดเอายังไง พอนานดูแล้วพระเนรของเรารู้สึกว่าละหลวมในสายตาของครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ควรจะบอกกล่าวแนะนำจุดไหนดูดูแล้วที่พระในวัดของเราควรจะรับรู้รับทราบคณะประชุมกันเป็นครั้งคราวเป็นบางครั้งจากนั้นก็ถ้าไม่มีการประชมุมก็แยกย้ายกันกลับไปที่พัก ฉงน้ำอาบน้ำจากนั้นก็เข้าทางเดินจึงกลมใครจะอ่านหนังสือในช่วงนั้นก็ได้แต่กลางกลางคืนไม่ควรจะอ่านใกล้ําถ้าจะอ่านอ่านตอนกลางวันตอนที่เรากลับไปจากตอนเช้าเนี่ยตอนเที่ยงอ่านหนังสือเพราะแสงสว่างมันพอปกุติของเราบิดเทียนเราไม่มีไฟฟ้าให้เพราะนั้นเราต้องหาเวลาอ่านเพื่อการศึกษาเรียนรู้ แต่ตกกลางคืนก็นมีแต่มืดเข้ามาแล้วกันเดินจึงกลมไตจุดเทียนทางเดินจงกลมนั่นแหละแล้วก็ว่าทําวัดเย็นทําวัดเย็นตามลําพังแต่ต้องทําต้องทำทุกวันทับว่าทําวัดเย็นจะจะยอ่อหรือพิศดารก็สุดแท้แต่จากนั้นก็ น, นั่งภาวนาอ่พอนังภาวนาเสร็จแล้วก็เราจะเดินลงเดินจงกลมอีกก็ได้ แต่ครูบาอาจารย์มางองคุณลงเดินยังกรมอีกกลางคืนจากนั้นขึ้นมาก็นั่งอีกระยะหนึ่งจากนั้นก็พักผ่อนประมาณสีทุ่มอันนี้คือสี่ทุ่มต้องการพักผ่อนตามกฎระเบียบถ้านอนเกินกว่าต่ำกว่าสีทุ่มไม่ดีถ้าห้าทุ่มหกทุ่มแั้นไม่เป็นไรเป็นกฎระเบียบของการพักผ่อน แต่ท่านนอนตั้งแต่สองสามทุ่มขึ้นไปแล้วนอนค่ำหัวค่ำไม่ใช่กฎระเบียบของพระกรรมฐานอย่างน้อยตังสีทุ่มขึ้นไปเดินถึงกลมนั่งภาวนาพอจากนันกตีสามตีสี่อย่างที่ว่านะก็ครบรอบกันนันได้ชีวิตของพระกรรมฐานโดยมากเป็นลักษณะอย่างนี้การเป็นอยู่ของพระชีวิตของพระ แต่ดูๆแล้วก็ทุกวันก็ทำอย่างนั้นะจำเจเป็นการจำเจเหมือนกันเพราะไม่รู้จะทำไงทาแต่อย่างเก่าแต่สิ่งที่ได้สิ่งที่ได้ศึกษานั่นะจุดนั้นเราไม่ได้ทำจุดนี้เพื่อเป็นเนื้อเป็นหนังอันนี้คือเป็นแนวทางเท่านั้นเองเป็นแนวทางสิ่งที่เราได้นั่นก็คือขณะ แต่ละวันใจของเราเป็นยังไงดูจุดดูที่ใจของเรานะแต่ละวันจิตใจของเราไปในทางไหนคิดไปในทางไหนคิดไปในทางกิเลสกามรมลาคะใช่ไหมจิตวิตกไปทางกามมลาคะใช่ไหมจิตใจของเราไปทางโทสะใช่ไหมจิตใจของเรามุ่นงานมุ่นวายไม่โปร่งใสใช่ไหม ด้วยสาเหตุเพราะอะไรวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนมาแล้วมันไปกระทบอารมณ์เมื่อไรตอนไหนที่มันกระทบอารมณ์เข้ามาทำให้ใจของเราไม่สบายใจของเราเป็นทุกข์ในขณะที่วันนี้ด้วยสาเหตุอันใดทำไมใจของเราเป็นอย่างนี้ สรุบแล้วก็คือเป็นนักพรตนักบวดพระกรรมฐานอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังให้เขียนปากกาทั้งวันให้ทำงานท้งวันให้เทปูนทั้งวันให้มัดเหล็กท้งวันให้คุยกันท้งวันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แนวทางของพระกรรมฐานพระกรรมฐานคือให้ดูใจของตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวว่าขณะนี้เวลาในใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรเป็นกุศลและเป็นอกุศลไปทางบุญและไปทางบาปกุศลคือเป็นจิตที่จะเป็นกุศลคือทางบุญจิตที่เป็นอกุศลคือทางบาปกิตของเราโกรธใช่ไหมจิตของเราหมุ่นไปในทางกรารมกกิเลสราคะใช่ไหม ดูให้สังเกตดูใจของตนเองนั่นแหละอันนั้นแหละคือจุดที่ให้ดูส่วนอื่นคือกิ จ, จวัตรข้อวัดชีวิตประจําวันเราต้องมีเราจะไม่อยู่แบบแก้ผ้าไม่มีซักผ้าไม่มีอะไรซะเลยไม่มีอยู่ไม่ีกินซะเลยมันอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้กิจเหล่านั้นก็ต้องทําเหมือนกับเราเป็นชาวนาเราก็ต้องทํานาทุกปีจําเจยิ่งกว่าอะไรอีกทํานาแต่ถ้าเราไม่ไทํา เราจะถ้าอยู่ยังไงถ้าเราไม่กินใช่ถ้ารู้เราไม่กินเป็นอย่าง ไ, ได้ได้ไหมไม่ได้ต้องตายไม่ตายเราจะทำางไงต้องทำอันนีค้คือชีวิตประจำปีประจำวันของพวกเราประจำเดือนเดือนไหนควรจะทำอะไรปีในปีหนึ่งนั้นอันนี้เหมือนกันในวันหนึ่งนั้นเราควรจะทำยังไงแต่ถึงยังไงก็ตามในวันหนึ่งนั้น ให้ดูให้สังเกตดูใจอันนั้นคือจุดที่เราต้องการจุดที่เราประสงค์ของพระพุทธศาสนาจุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จุดประสงค์ของพระกรรมฐานที่เราอยู่ป่าคือเราต้องการดูว่าใจของเราแต่ละวันวันนี้มันกระทบเรื่องอะไรสาเหตุเพราะอะไรมันทาไมจึงเป็นอย่างนี้ อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าให้พวกเราท่านทั้งหลายฟัง ที่หลวงพ่อไปภาวนาอยู่ที่ธรรมซ่อนของบินาบาตกลับมาฌันแล้วนั่งนั่งภาวนาแล้วนั่งอยู่ในธรรมพอนั่งเสร็จแล้วก็ง่วงง่งเอ๊ะง่วงง่ว ง, ง, วงเดี๋ยวไปพักผ่อนสักหน่อยก่อนพอสักงิบหนึ่งแล้วจะมาอ่านหนันงสือแล้วนั่งภาวนาต่อตามปกติมันก็กลางเราทานอาหารไม่ใช่อาหารมันมีแต่ข้าวเหนียวมีแต่ ของอาหารป่ า, ป า, ปาดูมากมันจะไม่ง่วงแต่วันนี้ทํำไง ม, มันง่งงอะพักก่อนดแต่พอพักกําลังจะพักเคลิ้มเคลิมท่านน่ะพอเคลิมเคลิ้ ม, มดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างแรงมันเหมือนกับไฟมีไฟมันจี้เข้าไปในหัวใจเ่ะจี้เข้าไปในความรู้สึกในหัวใจมันจะตุ้งขึ้นมาอย่างแรงพอจะดุ้งขึ้นมามัน มันร้อนร้อนใจร้อนวัดวัดวับเฮ่ทาไมมันเมื่อกี้มันอะไรเข้ามากระทบใจของเราทําไมใจของเราจึงร้อนนะนี่อจากนั้นก็ร้อนร้อนร้อนโอ้จนเออจนถามตนเองว่าเราอยากจะสึกไหมเนี่ยเออมันเป็นยังไงทําไมไป็นยังไงใจของเรานะ่บอกว่าใหม่ เราไม่อยากจะสึกแต่ทำไมาใจของเราร้อนอย่างนี้ร้อนจนอยู่ยากอา่าถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับน้ําที่มันไหลลงมาจากภูเขาในท่อแล้วเอามือเราปิดปิดก้นท่อนะ่ะเออท่อน้นะํา่ะมันปิดไม่อยู่แต่ก่อ น, นีนเรามีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาเรากําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดโถพดโถบังคับเลย มันจะอยู่เน่งอยู่เลยใจอยู่เป็นสมาธิขึ้นมาทันที บ, บังคับแต่คราวนั้นมันไม่อยู่ เ, ออเหมือนกับเรามันกระแรงมากอารมณ์ในจุดนั้นด้วยเหตุอนไรไม่ทราบเราก็ยังค้นหากระทั่งทุกวันนี้เรายังหาสาเหตุนั้นจุดนั้นไม่ได้มันมาจากจากไหนอารมณ์ประเภทนั้นนี่มันมีเกิดขึ้นมาได้ทั้งหมดเพราะนั้น แต่และ ว, วี่แต่และ ว, วันแต่และเวลาให้เราสังเกตเราจะแก้ไขอย่างไรแต่คราวนั้นก็เดินจงกลมมันอยู่ทั้งเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะอารมณ์อย่างนั้นไม่มีคิดอย่างอื่นคิดแต่ถึงแต่ครูบาอาจารย์เ้าจะกราบเข้าไปไปกราบหลงตาก็ไกลเกินไปจากสกลนครข้ารถก็ยังไม่มีอีกตั้งหากพอเราไปเดินอยู่ในป่า คิดถึงครูบาอาจารย์เอาถอะมันเกิดที่เน็ตมันเกิดขึ้นมาที่นี่เราจะต้องเอาลงที่นี่ให้ได้ตายเป็นตายปะเอเรามา อ, อกลายแต่วัยชีวิตในภพไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วมันจะเป็นอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดมันขึงแค่ตายเทานั้นแหละถึงเขาเด็ดเดี่ยวมันต้องเด็ดเดียวนะอ่อนแอไม่ได้กับจิตใจดวงนี้าจากนั้นบิณฑบาตมาแล้วก็ บอกวางบริขารวันที่เอาชนะมันได้นะวางบริขารเสร็จแล้วก็ลงไปเดินอยองโงตามไม่จริงลงไปเดินอยองโง ม, มัน ม, มีหลายเส้นหลายสายทางเดินอยองโงแต่วันนั้นไปเดินกลางแก้งเลยไปเดินทางบินทบาทขึ้นมาก็มีก้อนหินปรลุมประหมต่ําบ้างแต่ก็เป็นทางลาบพอสมควรอะเราจะเดินตัวนี้นะโคตรโคตโคตโคตรโไม่เป็นไร อบังคับให้อยู่กับตัวเองเะผายขาขวาพุทธขาซ้ายโถขาพุทธโถพุทโถพุโทพโถบังคับให้มันอยู่กับตัวเองมันเอาอะไรจะเกิดมันเกิดสิวะจากนั้นพอบังคับเข้าไปแต่นั้นนะมันมีความรู้สึกขึ้นมาในใจของเราว้าึ้นมาอมันจะเดือดร้อนทกไปทําไม จะทุกไปทำไมจะเดือดร้อนไปทำไมจะเหี่ยวแห้งอับเฉาไปทำไมใครเป็นผู้ทำกรรมกรรมอยู่กับเรากรรมดีกรรมชั่วเราเป็นคนทำเราเป็นคนได้รับไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่ดวงวิญญาณใครมาทำกรรมให้กับเราเราเป็นผู้สร้างกรรมขึ้นมาเองเราเป็นผู้ได้รับเองเราทำดีเราก็ต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเมื่อเราทากรรมชั่วเราจะต้องตกนรก ในเมื่อเราทำกรรมดีล้วจะไปตกนรกใดไหนต้องไปสู่สวรรค์ถ้าละกิเลสได้เข้าสู่นิพพานจะไปทุกข์ใจ ว, ว้าวิอ้างวังโง่ไปทำไมพอมันคิดขึ้นมาจุดนี้เท่านะั้นมันทิ้งตั้งลงมาจากจิตใจเลย เ, เหมือนกับอะไรมันโยนอะไรของออกจากบาศอย่างแรงนะออพอจางนั้นวิ่งเลยตัในันในอยู่คนเดียวนะ แต่นยังกลมวิ่งวิ่ ง, งไปไยเพื่อนวิ่งคล้ายๆกับเอาชนะมันได้ใจกล้าขนาดเลยในช่วงนั้นนะถ้าเห็นเสืออยู่ต่อหน้ากันโ ด, ดเข้าปากเสือได้เลยว่างั้นแต่ไม่กลัวอะไรทั้งหมดเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมกรรมคือการกระทํำของเราเราจะไปทุกข์กับใครนี่แหละมันอยู่ที่ใจทั้งหมดจะงหวะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า จะทําให้มันทุกในมันว้าเวอ้างว้างอ้อยอินอ้อยอิงทุกมากับมันมันก็ทําให้ทุกทุกกับมันเหมือนกันถ้าเราเอาชนะมันได้มันก็จะชนะอยู่ที่ใจของเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้บอกกล่าวแนะนําว่ามันอยู่ที่ใจของเรานะพวกเราท่านทั้งหลายเอาชนะใจตัวเองให้ได้มันอยู่ที่ใจแหมหลวงพ่อเคยเผชิญเคยเจอมาแล้วหลวงพ่อทิ้งตรงที่กับ กรรมคือการกระทำคิดดีทำดีพูดดีถ้าเราคิดดีแล้วมันจะชั่วได้ยังไงถ้าคิดชั่วแล้วมันจะดีได้ยังไงมันอยู่ที่ใจทั้งหมดหเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคือจุดนั้นแหละจุดที่การปฏิบัติของพวกเราการเป็นอยู่ชีวิตประจำวันทำยังไงกิจวัดข้อวัดเรื่องอะไรอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ส่วนที่เราจะได้นั่นก็คือเนี่ยแหละจุดจิตใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยมันมีอะไรค้นคว้าศึกษาด้วซี้ว่ามันกิเลสตัวไหนเข้ามากิเลสลาค้าเข้ามากขลองโหมลองไงสู่กิเลสไม่ได้ทั้งทีอยากจะภาวนากิเลสมันหลังมันทะลักไปเอครูบาอาจารย์นะว่าถ้ากิเลสกามาลาค้าขึ้นมาไปว่าร่างกายของเรามันมีกําลังมากเกินไป อดอาหารเหมือนกับช้างออพอช้างเกินมามันอาหารกำลังมันมากเกินไปอมันตกมันมันตกมันไม่ทุกไม่รู้ไม่รู้สึกกระทั่งว่าเจ้าของคืออะไรฆ่ากระทั่งเจ้าของอีกเพราะอะรเพระช้างมันตกมันอมันอาหารมันสมบูรณ์เกินไปอตรงมัดมัดขาช้างมัดคอช้างใส่ต้นไม้ไว้ไม่ให้มันกินยาไม่ให้มันกินน้ํา ดองเลยสิจากเจ็ดวันนะ่ะออพอเข้าไปจะเดี้มันหิวข้มันหิวน้ํามันหิวญ้าดนะหมดกําลังนะกระพับหูอะไรตัวเนี่ย เ, เข้าไปรู้จักเจ้าของนะกระพับหูแหวงหางนะไม่มึงตึงไม่หูกลางไม่ตาจ้องเขม็งเหมือนตะกอดนะแปลว่ามันมันรู้จักตัวเองนี่ก็เหมือนการนะการประพุทธปฏิบัติให้สังเกตตัวเอง เราต้องสังเกตตัวเองร่างกายของเรามีกำลังเกินไปหรือเปล่าหรือใจของเราเป็นยังไงทำให้เราท้อแท้อ่อนแอหรือว่าจิตใจของเราไปหนักไปทางไหนในขณะนี้เดียวนี้หรื่าการภาวนาเนี่ยคือให้สังเกตกายการเป็นอยู่ของเราเราพูดคุยมากเกินไปหรือเปล่าอารมณ์มันจะเข้ามาอย่างนี้ใจของเรามันจึงปั่นป่วนอย่างนี้เพราะอะไรมันต้องค้นหาเหตุทั้งหมด มันต้องมีเหตุจะก่อนมันท้องยังค่อยมีผลทุกสิ่งทุกอย่างมันเหตุจะก่อนยังผลออกมาฮะแต่ขนาดที่หลวงพอ่พอภาวนาวนะันนั้นนหลวงพอ่อยังค้นหาเหตุไม่ได้นะอารมณ์ที่มากระทบปั๊บป่มกคงจะเป็นกิเลสในใจของเรานะี่ยนะเออมันคงจะแสดงอิทธิฤทธิทางว่าเราสู้มันไม่ได้เราก็คงจะตีร่างกายตั้งแต่วันนั้นฮแต่เนี้เราเอาชนะมันได้ฮนะ เออจากนั้นมาเราก็ยังมาพูดในพระลูกพระหลานศรัาาทธาญาติโยมฟังมาเออเอาชนะมันได้ว่าข่าวนั้นแหะภาคภูมิใจเฮเพราะใจอย่างนั้นมันมันมีความทุกข์จริงๆมันอับเฉาจริงๆมันว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าจริงๆเองถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเราไปอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลเรือน ในน้อยลําเดียวมองสุดสายตาไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเดินหันเรือไปทางไหนไปจะไม่รู้จะไปพึ่งพาอาศัยใครนั่นหะมันว้าเหว่ถึงขนาดนั้นละ่ะถ้าจะเปรียบเทียบอีกสางหนึ่งก็เหมือนกับต้นหญ้าต้นหญ้าทั้งหลายแหละขาดน้ำแดดเผาเหี่ยวอับเฉาในจิตใจทั้งเหี่ยวด้วยทั้งร้อนด้วยในใจของเรา อะไรตายอยากไม่รู้เป็นยังไงสาเหตุเนี่ยแหละถ้าเราเราเองไม่แก้ไขเราตัวเองเลยไม่ปรปับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วใครจะเป็นคนมาแก้ปับไขปรปับปรุงให้กับเราครูบาอาจารย์มีนแนะนำสัง่งสอนบอกกล่าวเท่านั้นเองนะควรจะสู้อย่างนี้นะควรปฏิบัติอย่างนี้นะมีแต่แนะแนวเพียงแค่นั้นนะตัวเองจะสู้แล้วจะทำยังไงมันเป็นเรื่องของเราทั้งหมด วันนี้ก็ให้แนวความคิดอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายลต่อนนี้ไปรับผ่อน